ไม่มีปัญญาที่จะยั่งรู้ความจริงแล้วที่มันตีก็ทุกวันเนี่ยด็อกเตอร์คนนั้นแต่ศึกษาก็ไม่ตีหรอกมีข้าวหม้อมาแกงถ้วยเขก็แบ่งกันกินเดี๋ยวนี้มันลามไปบันนอกเลยบันนอกรอมลัวกันแล้วเวลาขังตัวเองล่ะขังกายขังใจตัวเองสมัยก่อนเองจะปลูกตรงไหนก็เอาที่เนี่หลวงพ่ออยู่ยุทธยาเนี่ยโอ้ ดำลงไปในน้ำนีเจอกุ้งหรือเจอปลาคล้ายๆเอามือไปเนี่ยเอามือลุ้นๆเนี่ยก็จับปลาจับอะไรได้แล้วสมัยก่อนนะในท้องทุ่งเนี่ยปลาตะเพียนตัวขนาดนี้กุ้งกำกามยันนี้ไม่มีเลยหาไม่เจอแล้วพอน้ํามาหน่อยตกใจคนสมัยก่อนก็อยู่กับ น, น้ําเขาต้องปลูกบ้านทุงสูงน้ํามาก็พ า, ายเรือมีเพลงเรือเพลงอะไรตลอดก็มีความสุขอยู่กันนะแต่มาอันี้ตกใจน้ํามา จะไปข้านมันเราไม่เราไม่เข้าใจธรรมชาติกันยังไงมันก็ไม่มีทางกั้นข้าขงบนมันม า, างล้ำซึมไม่ได้หรอกน้ําเนี่ยน้ำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ในพลังเขาถึงเรียกแม่ไงแม่น้ําเี่ยสิ่งใดที่เราเรียกแม่เนี่ยมันมีคุณมีคุณอันนั้นทำให้ชีวิตสดชื่นทําให้ ก็อเกิดชีวิตน้ำเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกแม่ข้าวแม่พระโคศพแม่พโพศกนี่ข้าวเียก็เป็นแม่เรามีคุณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกแม่เนี่ยสิ่งนั้นจะต้องเป็นคุณกับตัวเราแม่น้ำแม่คงคาในขณะที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตใจไปเดินนะ เพราะนั้นตอนที่หนึ่งค้นหาสภาวะจิตที่ไปพน้นจิตสามัญจํานึ้อใหได้จิตที่มีตัวตนให้ได้ขุดที่สองทำกิจการงานในวิประจําวันในวิถีของความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีตัวเราเป็นเอกภาพจนกระทั่งสูงสุดรู้ในความเป็นทั้งหมดรู้ในความเป็นองค์รวมแล้วก็ลงมาอยู่กับโลกอย่างไม่ขัดแยง้งสูงสุดสูดสามัญแล้วตอนนี้ เราไม่ทะเลาะกโลกแล้วเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นแล้วอะไรเข้ามาทางตาทางหูทังจมูกทางนิ้ทางกายและอะไรน้อ ย, น, อยน้อยที่จะมีการเปรียบเทียบแล้วเราจะรู้ตัวเราเองนิวรณ์ห้าเนี่ยมันจะหายไปความคิดเนี่ยโยมมันจะหายไปเองเลยเราไม่รู้มันหายไปมมันก็ไม่รู้มันหายไปหมดเลยแต่ไม่มีเลยความคิด พี่เลววันนิวรณ์ห้าเนี่ยอะไรกําจัดนิวรณ์ห้าสมาธิกี่เลวอย่างหยากแสดงมาทางกายวาจามึงมาพาวยกิเลวอย่างหยากกําจัดด้วยกําจัดได้ด้วยศีลกําจัดได้ด้วยใจที่เป็นปกติกี่เลวอย่างกลางนิวรณ์ความคิดต่างๆพอใจไม่พอใจกามชันทะพยาบาทเนี่ยที่นีมิถะความซึมเศร้า จิตมันหลีจิตมันซึมความรังเลยสงสัยความฟุ้งซ่านมันหายไปเองกิเลสเหล่านี้คือเราสะสมมามันเป็นความเคยชินคิดมันเรื่อยตอนนันลังมันจะหายไปเองเมื่อเราสังเกตใจบ่อยๆความว่างมันมีพลังอันพวกนี้หายไปเองโยมไม่ต้องตกใจมันค่คอยๆพัฒนามันเรื่อยขอเพียงศรัทธาโยมนะศรัทธาตรง เราจะต้องศรัทธาในคําสอนของพระพุทธองค์ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรามีครูคนเดียวกันเรามีพ่อคนเดียวกันศรัทธาตรงนี้ย่มไม่ต้องเรียนรู้ธรรมะรู้ไม่ต้องรู้อะไรมากรู้แค่อริย ส, สัจสีทุกทุกคนมีแล้วทุกคนมีความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้วิธีวิธีธปฏิบัติทุกกําเกิดขึ้นมาทีไรกําหนดดูมัน ดูมเฉยไม่ต้องไปสรุปว่ามันเกิดมันดำแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันหายไปฮะพอเราดูมันนั้นความคิดหายไปเห็นแล้วไอ้ตัวนี้โลท้าอ๋อไอ้จิตที่ว่างไปอย่างงี้ต้องดูให้ชัดเลยไอ้ตัวนี้นะเนี่ยทําอย่างงี้บ่อยบ่อยมันไม่ทุกข์ก็ดูมันนะไม่ใช่ว่าดูตอนทุกข์ดูตอนทุกข์บางทีมันไม่มีสติสติมันเป็นกุศลธรรมมันจะเกิดกับจิตที่เป็นกุศลปฏิจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยสติไม่เกิด มันต้องฆ่าคนได้ทะเลาะกันได้ไม่มีสติเลยแต่เราก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้มันมีสติมากๆสติมันเป็นเกจิตศึกมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเกิดจากเหตุจากปัจจัยมันมาสามารถเราไม่สามารถจะทําให้มันมีสติตลอดเวลาได้ให้เจริญยังไงก็สติตัวนี้ไม่มีคงที่อยู่ตลอดเวลาได้มันเกิดจากเหตุจากปัจจัยมีเหตุปัจจัยมันเกิด แต่ปัญญาเนี่ยมันมาจากสุญญาตามันมาจากอสังกตะธรรมสิ่งนี้เป็นอมตะสิ่งนี้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญญายานยานทัตนะมันจึงมีอยู่ได้ตลอดเวลามันไม่ได้เกิดจากเหตุจากปัจจัยมันมาจากสัจจะมันมาจากมิติขจิตเหนือสํานึก พยมรู้จักปัญญาตัวเนี้ไม่รู้จัอธิบายไงมันเหมือนกระจกเขาเปลี่ยวไว้เหมือนกระจกเหมือนกับกระจกเนี่ยมันทำหน้าที่สะท้อนสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นเหมือนกับเขาเปลี่ยวเหมือนเงาสะท้อนในดวงจันทร์ดวงจันทร์มีดวงเดียวแต่เงาสะท้อนมันทุกที่ว่าปัญญาตัวเนี้ยมันแทรกซึมอยู่ในทุกขนทุกแรงครอบคลุมอยู่ในทุกสิ่ง เขาต้องบอกว่ารู้หนึ่งจะรู้ทั้งหมดแต่ถ้าเธอจะพยายามไปรู้ทั้งหมดเธอจะไม่รู้อะไรเลยเพราะนั้นหนึ่งในพุทธศาสตร์ศานาก็คือตรงนี้แหละนางกุณฑนเกษีโตวัธีกับภาษาลิบุตรเนี่ยนางกุณฑลเกษีนี่ฉลาดมีปริภานไหวพริบใครโตวัธีด้วยสู้ไม่ได้วันนี้ไปโตวัธีกับภาษาลิบุตรถามปัญหาต่างๆภาษาลิบุตรตอบได้หมดสาษาบุตรขอถามข้อเดียนน้องนางอะไรคือความเป็นหนึ่งเนี เอกังนาไม่กินเนอะไรคือความเป็นหนึ่งเทววาสเรามาแปลกันอะไรต่ออะไรเทววารุ่นหลังมาแปละอะไรต่ออะไรก็บ้านหนึ่งคืออาหารหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ที่จะหาว่าชีวิตนํารงไม่ใช่อะไรเออะไรคือเอกรธรรมอะไรคือเอกรธรรมโมในพระใจพระโดหูอธิบายอืมพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติอธิบายไปตั้งสิบอย่างไม่รู้ว่าเอกรธรรมโมคืออะไร วันนั้นพ่อท่านเอามาอธิบายตามตัวมุสีเอกธรรมโมก็คือปิดที่ว่างแล้วมันจะรู้ในความเป็นทั้งหมดนี่ลรู้ในความเป็นเอกภาพโยมลองสังเกตดูสิเราลองสังเกตใจเราที่กันอย่นี้ความคิดไม่มีเลยเห็นไหมใจมันว่างขณะดที่ใจเราว่างเนี่ยโยมมันจะมีตัวรู้แต่หนักรู้เนี่ย นี่ยรู้ในความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้เลยในจิตสามันจำนึกเนี่ยมันมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้เกิดจากความคิดมี่มาจากความจําอดีตปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นทันทีแต่ในขณะที่ใจเราว่างเนี่ยมันไม่มีเวลาแล้วไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตเป็นอากาลิโกยมต้องเข้าใจการรู้ในความเป็นหนึ่งนี่ให้ได้ เพราะนี่คือวิถีหน่อยอย่างก็เรียกวิถีของโพธิสัตว์วิถีของผู้รู้เพราะนี่คือวิถีของการปฏิบัติของเราไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนรู้พร้อมตาหูจหมูกลิ้นกายรับรู้พร้อมเนี่ยรู้ในความเป็นหนึ่งนูนีั้นเอากายนะมะโคก็คือมรรควิถีของการบำเพ็ญภาวนาถ้าโยมจับประเด็นนี้ได้ รู้โดยสภาวะรู้โดยอัฏถารู้โดยสาระตรงนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติแล้วก็จะก้าวหนา้าแต่ถ้ายอมมัวไปใช้ความคิดพิจารณาเห็นลูกมันเกิดมันดับมันเที่ยงไม่เที่ยงหลวงพ่อบอกพิจารณาจนตายไม่มีทางที่จะละวางเลยอุปทานทั้งสี่การฉันทะปารทานทั้งสี่ มันละได้ในขณะเดียวมันละได้ในขณะที่เราเห็นความว่างเนี่ย mm hmm. กรารมุปาทานที่ถูกปาทานสีรู ป, ปราาตูปาทานอตตวาทุปาทานเนี่ยขณะที่เราเข้าถึงความว่างเนี่ยสีตัวนี้หายไปเลยเนยอยู่ไม่ต้องไปละทีละตัวเลยสีตัวหายเกลี้ยงเราก็อยู่กับความเป็นหนึ่งอยู่ในความเป็นองรวม มายงเคยได้ยินไหมองค์รวมเนี่ยองรวมไม่ใช่เอาวิชานนวิชานนี่เรียนในความเรียนอืไม่ใช่มันรวมลงเป็นหนึ่งของมันเองที่มันแบ่งแยกเพราะความคิดนั่งเราสิ่งต่างๆเนี่ยมีถ้วยนี้โตะ๊ะเนี่ยอะไรตัวอะไรเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยแบ่งแยกเพราะความคิดเพราะฉะนั้นเขาจึงสรุปว่าสรรพสิ่งก็คือกิต ที่มันมีสรรพสินเนี่ยเพราะจิตทั้งเลาถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสรรพสินถ้าเราเข้าถึงสภาวะ น, นี้ได้ความรู้สึกว่าตัว ต, วตนเราก็สิ้นสุดลงนั่นคือเข้าถึงความตายท่านกฤษณมูลติบอกว่าชีวิตกับความตายเป็นสิ่งเดียวกัน มันจะเป็นไปได้ไงอาจารย์เอาเธอลงตายดูสิอาจารย์บอกให้เธอลงตายดูสิเธอจะรู้ว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันอาจารย์อธิบายในความหมายของจิตเหนือสานึกที่มันไม่มีตัวตนแต่โูกสิทธิ์มันยังคิดอยู่ในทุงเหตุผลตายก็คืนึกว่าไอ้ร่างกายตายหมายถึงไม่มีตัวตนนี่คือตาย นั่นแหละตัวชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีตัวตนตัวตนตายแล้วชีวิตกับความตายมันอยู่เป็นสิ่งเดียวกันแต่ที่มันแบ่งแยกมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีตายมีชีวิตมีตายนี่มันเกิดจากความคิดของเราถ้าไม่มีความคิดตัวตนหายไปอัตตาตัวตนหายไปอัตตามันตาย ไม่ใช่ร่างกายตายอตายตัวตนมันตายท่านอาจารย์พุทธทานบอกว่าให้ตายก่อนตายแล้วเธอจะรู้จักนิพพานตายซะก่อนตายทําได้ไหมต้องเชื่อมั่นใช่ไหมต้องชัดชัดชัดเนี่ยยัไงมันชัดสังเกตตัวตนก็หายไปแล้ะตัวตนก็ตายไปแล้วะทํายังไงเราจะรักษาสภาวะ จิตที่มันไม่มีตัวตนให้มันดำรงอยู่เราไปล้ำอะไรมันไม่ได้เลยในขณะที่ไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยเราไปทําอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติสัมมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องมันมีพลังมันก็โดยตัวมันเองล้วจะไปทําให้มันมีอินทรีย์มีพลังแล้วไม่มีตัวตนที่จะมีเจตนาแล้วตรงนั้นในมิติกินเหนือสํานึกไม่มีเจตนาแล้ว ถ้ายังมีเจตนานี่ม่มีตัวตนมีตัวตนมีตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นหนทางของการปฏิบัติเนี่ยโยมเดินยืนนั่งนอนทำอะไรตอนอะไรอยู่สังเกตใจไปด้วยแม่ชั่วช้างกระดิกหูงูแอปิ้นนี่ก็ถือว่าเป็นยิ่งกว่ามหากุศลนยงเลยดีกับผู้ใหญ่ดีกับผู้ใหญ่ที่อยู่ร้อยปีเนยโยมโยมอายุเฉลร่ยแล้วก็ตน หกสิบหนึ่งหนูอายุเท่าสี่สิบกว่าได้เห็นตรงนี้ได้นี่ค่ะบพ่พ่อรับรองเลยโซดาสกิธาอาาคาร์นี่เห็นนะพ่พ่อกว่าจะเห็นตรงนี้ตั้งอายุห้าสิบห้าดีไม่เมาเหล้าตายไปซะก่อนวู้ยแต่ก่อนเป็นอาหารกินเหล้าเมายาเที่ยวสนกุกสนานจะไหมนะมันไม่มีโรคเอด่์ถ้ามีโรคเอดตายไปแล้ว โรกเอดสมันเกิดที่หลังโอ้ยหลวงพ่อเทีย่ยวผู้หญิงแก้วผู้หญิงไปทั่วเลยทหารนะไม่ได้ทำอะไรก็กินเหล้าไปอ ย, ปอยู่ไปอยู่ต่างประเทศไปอ่านหนังสือข้างหลังหนังสือไอ้หนังสืออะไรมันมีเรื่องอภินิหารเรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรต่ออะไรเนี่ย อ่านหนังสือก็เลยติดใจกลับมาเรียนวิชีวิธีสะกดอีกแต่นี่ก็อ่านหนังสือเลยมาก็เลยลืมเรื่องนั้นติดเท้าเข้ามาสู่ธรรมะเรื่อยอ่านหนังสือสูงขึ้นเรื่อยอ่านหนังสือสุดท้ายก็คือของท่านอาจารย์พุทธทาส ต, ตอนท่านอาจารย์พุทธทาสมีชีวิตอยู่เราก็ไม่มีปัญญาไม่มีคําถามที่จะไปคุยกับท่านไปถึงก็นั่งมองท <c oughs> ไปทุกปีอืวันที่ยี่สิบก วันเกิดท่าไปอดข้าวสามวันเลยนะศรัทธาแต่ก็ไม่ได้มาท่านก็พูดเรื่องจิตว่างจิตว่างแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็รู้ว่าจิตว่างเนี่ยมันดีใครอ่านหนังสือท่านก็จิตว่างเป็นเล่มๆขนาด น, นี้โอ้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจิตของเราจะว่างได้ยังไงเพราะวันนี้หลวงพ่อเอาวิธีของลูกเจ้ามาบอกว่าจิตเราจะว่างจากตัวตนได้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะ มีพุทธมีพุทธพจน์มีพระ ส, สูตรของเถรวาสเนี่ยหลวงพ่อพูดถึงเรื่องอะไรมันจะมีพระ ส, สูตรเสริมอยู่พระ ส, สูตรในเถรวาสแล้วเนี่ยเช่น พ, พระเจ้ากล่าวว่าโลกคือความว่างสัพเพมานัตตาพระอนุนไม่เข้าใจที่พระองค์ว่าโลกว่างโลกว่างเนี่ยมันว่างยังไงตาก็เห็นสิ่งต่างๆหูก็ได้ยินเสียงอะไรตอนนี้เนี่ยมันว่างได้ยังไง ถ้าโนนคิดว่าความว่างคือไม่มีอะไรเลยพระเจ้าก็บอกว่าที่เรากล่าวว่าโลกว่างโลกว่างเนี่ยว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวตนก็คือว่างจากตัวตนว่างจากของตนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าตัวตนเราไม่มีเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆโอ้ทุกสิงมันเป็นเช่นนั้นเองไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีหรือมันไม่มียแต่กิจสามันจำนึกเลยเรามีความเห็นเพียงสองทางนี้ ทุกวิภาวะนี่ผีมีจริงไหมบางคนเคยเห็นก็บอกมีอืบางคนไม่เคยเห็นก็ไม่มีไปนอนป่าช้ายังไม่เจอแล้วไม่มีมีก็ไม่มีนั่นแหะไม่มีทางที่สามได้เลยเห็นไหมแต่พระเจ้าทรงค้นพบคําตอบที่สามถ้าเราจิตทั้งเรายังอยู่ในจิตสามัญทานึกเนี่ยมันจะมีสองทางจิตสามัญทานึกคือความรู้สึกของคนเราทั่วทวไปมีสองทางนั่นเอง แต่ถ้าเราเข้าถึงความจริงเนี่ยมันจะไปพ้นไอ้ทางสองทางนั่นคือทางที่สามโอ้สักกสิ่งนี้ไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีหรือมันไม่มีนั่นคือสัพเพธรรมานัตตาหรือสัพเพธรรมาสุญญาตาว่างในที่นี้ไม่ได้หมายว่าว่าไม่มีเาฉนั้นที่เราไปพิจารณาอนัตตาว่ามันไม่มีเนี่ย โดยสภาวะโดยสาระของมันมันไปพ้นความมีไปพ้นไม่มีมคือเช่นนั้นเองนั่นแหละ ท, ทางที่สามเห็นไหมเนี่ย <Yeah. S 1> พระเจ้าทรงบอกวิธีให้เราพัฒนาปัญญาชนิดหนึ่งถ้าโยมเห็นเนี่ยโยมจะศรัทธาพระพุพทธเจ้าขนาดไหนสองพันห้าร้อเกือบสองพันหร้อยปีมาแล้วคำสอนจะถ่ายทอดกันมาจากปากสู่ปากจากระไต่ปิฎกเลย อย่างไรก็ตามเราก็ยังค้นหาจนเจอเนี่ยเทียบไม่ได้กับวิทยาศาสตร์เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาศาสนาพุทธศาสนาเราไปเทียบกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันสิ้นสุดลงแล้วนั่นแหละถึงกะเริ่มศาสนาถึงจะเริ่มพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราจึงเน้นเรื่องปัญญาไงถ้าเราไม่มีปัญญาที่อย่างรู้ความจริงจะไหนเลยจะละวาง ความยึดติดความยึดถือต่างๆได้ทํำยังไงใจเราจะเป็นอิสระได้ใจเราจะเป็นอิสระจากความยึดถือต่างๆได้เพราะปัญญาตัวนี้นะปัญญาตัวเนี้ยมันมีคุณนั้นๆปัญหาต่างๆมันจะลดน้อยลงจะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนด้วยนี่หลวงพ่อไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยโรคความดันโรคหัวใจโรคอะไรต่ออะไรไม่มีเลย ไม่ได้กินยาทั้งเม็ดคุณพ่อไปดูรุ่นเดียวกันนักเรียนจ่านักเรียนชั้นม .6 ตายไปครึ่ง <laughs> 70คนเหลือไม่ถึง30นักเรียนจ่า80าคนเหลือไม่ถึง30โอ้มันตายันไปเยอะแยะเลยแล้วไม่ได้เห็นได้ตรงนี้นะอ่ น, นี้ยังกินเหล้ากินยาเลยเหรอ 6-70 ลิงกินเหล้าจะกินไปถึงไหนวะไม่หาวิธีเปลี่ยนแปลงชีวิตเลย ก็แสดงว่ามัน ไ, ไม่ได้สอนไม่ได้รับคำไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระเจ้าที่จะค้นหาชีวิตใหม่เลยถ้าโยมจับผลทางได้เนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเราจะรู้จักคุณค่าของชีวิตเราจะรู้จักความหมายของชีวิตเราจะรู้จักเป้าหมายของชีวิตเราเราจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราแค่นี้โยมไม่ต้องไปหาอะไรมากแล้ว นี่พานอยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่นี้เอื้อมมือไปหามันเอื้อมมือไปจับมันเขามีอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยสัจจะเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนพระเจ้าศาสนาคิดยกชีวิตให้พระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้าจะทําอะไรอยู่กับพระเจ้าแล้วปลอดภัยให้พระเจ้าตัดสินแต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าคืออะไร i m เม i อิ i m a จิ n e ไว้สิ่งหนึ่งคือพระเจ้าแค่ น, นั้น แสัจจะเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาสักจะก็คือพระเจ้ากดก็คือก๊อนนี่นะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราได้เห็นสิ่งนี้เราจะขอบคุณพระพุทธเจ้าโอ้ถ้าอาจารย์พระธาบอกให้ตกกระไดพ่อโจร <c oughs> ถ้าเราไม่ฝึกเราจะโจรได้ไหมไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายแน่เลยทําใจว่าอจมล้อม ตั้งเกิดใจของเราไวาให้มันว่างมันตายไปในความว่างไม่ต้องเกิดอะไรโยมไม่เกิดไม่ดับแล้วมัเนี่ยตกกระไดพอยโจรเพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาจะตายแม่คนมันเล่นไก่มันจะตายจิตใจสานึกมันจะแดงออกเอานี่มวยชนกันเลือดออกพุกโทโธพุทโธก็ไม่รู้จักพุกโทโธก็คืออะไรเห็นไห ม, ไม ต่อให้เราพูดดียังไงเป็นสัจจะยังไงถ้าจุดเริ่มต้นเขาไม่มีศรัทธาก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการศึกษาเราต้องเปิดใจให้กว้างแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วจึงเชื่อพุทธเจ้าจึงในหลักการมาสูตรอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะเป็นครูแล้วอย่าเชื่อเพราะเป็นอาจารย์อย่าเชื่อว่าเป็นแนวความคิดอย่าเชื่อตั้งสิบอย่างนนะไม่เชื่อแล้วไม่ได้ทำนะ ไม่เชื่อแต่ว่าต้องทําก่อนพิสูจน์ดูก่อนครูแม่ลูกอ่อนเลี้ยงญาติชำเลือูลูกนอ้อยลองดูที่ชำเลืองดูเป็นไงความคิดหายไปโอ้พระสูตรนี้ได้ไกิพายะเลยสักเท่าเห็นสักเท่าได้ยินอจุมบรรดกเมื่อเราเข้าถึงสัจจะเลยเนี่ยเราจะรู้ตัวเองว่าโอ้นี่แหละสัจจะปัญญาของเราเนั่นแหละมันจะบอกตัวเราโอ้นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เอง เพราะเราไม่สามารถใช้ภาษาที่เป็นสิ่งสมมติที่เป็นที่เป็นภาษาของโลกไปอธิบายมิติของความจริงนิสัตย์ได้เราต้องรู้เราจะเข้าใจความจริงได้จากประสบการณ์ตรงของเราประสบการณ์ตรงต่อการประจักษ์แกล้งความจริงประสบการณ์ตรงต่อ enlightenment แต่การต่อการปฏิจจ์แจ้งความจริงเมื่อเราเข้าถึงเราไป็นหนึ่งเดียวของความจริงเนี่ยเนี่ยเราความเข้าใจที่แท้จริงมาจากไหนความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากความคิดความเข้าใจที่แท้จริงมาจากประสบการณ์ที่เราเข้าถึงสัจจะนี่เราจะไม่ต้องถามใครแล้ว <hib it. S 2> เรารู้อะไรเราก็ยึดอั น, นั้นนลยยึดอาจารย์มั่งยึดแนวทางรูปแบบของครูบาอาจารย์โน้น อ, อาจารย์นี้จิตมันก็ปิดใช่ไหมกระหวานนี่ถูกเนี่ยจิตไม่เปิดแล้วตอนี้ฟังเขาห่นไม่ได้แล้วเพราะฉะจุดเริ่มต้นย่อมต้องเปิดใจรับฟังแม้สิ่งที่หลวงพ่อพูดมาก็ตามเนี่ยต้องเอาไปเพราะที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อไม่ได้อธิบายจาก วิชาไอ้ขอ้อธรรมะโน้นธรรมะนี้จากตำราเลยหลวกพ่อเอาตัวปฏิบัติล้วนในทุกขณะ ม, มาบอกให้โยมทำได้และยยก็จะได้พิสูจน์คำสอนของพระเจ้าเนี่ยถึงบอกไม่ต้องรู้อะไรมากรู้แค่อริย ส, สัจรีกกายกับใจของเรานี่แหละเดี๋ยวก็สบายใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็ อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยเรียนรู้มันเข้าใจตัวเราแค่นี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมทีนี้พอเราเข้าถึงความจริงมาจากประสบการณ์แล้วเราก็จะสอนใครจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราจะอ้างอิงบ้างก็เออไปอ่านตำหนักราพระไตรปิฎกมาดูคิเนี่ยพุทธเจ้าพูดงนี้นะเออเนี่ยแล้วเราก็สอนอย่างนี้นะเดี๋ยวโยมอ่านหนังสือนี่โยมก็อ่านพุทธพจน์กลางนาโอหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อบอกได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้เนะี่ย ถ้าโยมไม่เห็นจิตใจของตัวเองที่มันว่างที่มันปราศจากตัวตนโยมจะเข้าใจหรืออ่านหนังสือเล่มนี้ไม่รู้เรื่องเลยเพราะภาษาที่ยังอบใช้พูดมันเป็นภาษาของจิตสามัญจำนึกเป็นภาษาของเหตุผลเราใช้ภาษาของเหตุผลไปอธิบายสื่อไปถึงความจริงเนี่ยถ้ายอมยังไม่ได้ เห็นจัตจ้าหรือความว่างของจิตนิยมจะเข้าใจไม่ได้เลยเพราะในสองมิตินี้มันต่างกันตรงที่ว่าในมิติขอจงจิตสา ม, มัญดํานึกเนี่ยเราดาเนินชีวิตด้วยความรู้สึกมีตัวเราเป็นศูนย์กลางเกิดจากความคิดนี่ว่าแล้วจะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยกระบวนการความคิดเริ่มมันสร้างสิ่งที่ถูกรู้สร้างผู้รู้ขึ้นมาไอ้อัตตาเนี่ยมันเริ่มจากการเห็นแล้วมีสิ่งที่ถูกเห็นไม่ผู้เห็นแล้ว นำไปสู่การเปรียบเทียบให้ขาตัดสินลงความเห็นที่เป็นทวิภาวะสูงต่ำดำขาวเกิดความรู้สึกชอบชังเวทนาเกิดแล้วพอใจไม่พอใจปรุงแต่งจนเป็นความโลภความโกรธกิเลสเกิดแล้วเกิดความต้องการแล้วนี้เกิดการกระทํากิเลสกรรมวิบากเนี่ยเราดำเนินชีวิตอยู่เนี้ยจนตายออกจากสังขารวัตตรงนี้ไม่ได้กิเลสกรรมวิบากออกจากตรงนี้ไม่ได้ใครเสวยความรู้สึกมีตัวเราอัตตาเอง เรามีความว่าเราทุกข์แล้วเกินเรากูกูทุกข์กูโศกกูทุร น, นเนี่ยเนี่ยเราดําเนินอยู่ตรงเนี้ยจนกระทั่งตายแล้วเราก็ชอบไม่ชอบเป็นสเปก ค, ความยึดถือนั่นเองจนตายอยู่ทําไมพระเจ้าเห็นคนคนแก่คนเจ็บคนตายและท่านถึงท่านถึงออกจากวังทําไมเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันต้องมีเกิดแล้วมันต้องมีดับที่หน้ามีแก่มันเนาะเออท่านถึงมีแรงบันดาลใจที่จะออกจากความสุขความสะดวกสบายแล้วก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเยอะแยะเลยทําไมใจของเรามันไม่สลดที่จะออกจากไอสิ่งเหล่านี้ได้มัางแล้วอ้างว่าอะไรบารมีใช่ไหมบารมีบารมีไม่พอ เนี่ยเราดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการความคิดที่มีตัวเราหมกจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ออกจากมันไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะออกจากมันเลยตราบใดที่เรายังไม่หันมาค้นหาค้นหาที่ไหนพระไตรปิดกเหลยนั้นเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเป็นนิ้วที่จะชี้ไปยัยงดวงจันทร์เป็นพวงแพรที่จะทําให้เราไปถึงฝั่งฮานโนแค่นั้นเองพวงแพร่หรือนิ้วมันจะมีความสาคัญเท่าดวงจันทร์เท่าฝั่งฮานโน แล้วเมื่อเรารู้คําสอนพระเจ้าที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็ลงมือทําถอไปเดี๋ยวมันก็ถึงฝั่งโ น, โน้นเองไม่ไปติดไอ้สองฝั่งก่อนถ้าเปลียวว่าในพระไตรปิฎกว่าใจของเราเนี่ยถ้าไม่ไปติดไอ้สองฝั่งเนะเหมือนซุงท่อนถ้าไมไปติดไอ้สองฝั่งไม่ไปวนอยู่กับหน้าวนไม่เน่าเปือ่อยผุพังก่อนยมปลายมันต้องไปถึงมหาสมุทรทะเลเนี่ยนะไปถึงนิพพานแน่นอน ตอนนี้เราไปติดไอ้สองฝั่งสองฝั่งคืออะไรไหมเหตุผลไปติดไอ้สองฝั่งเรื่องเหตุเรื่องผลยึดถืออเหตุผลเนี่ยไปติดไอ้วงังวนสังสาวัตเนี่ยพอดีแก่ตายเปิ <c oughs> ยฟุบพังไว้ไม่ถึงทะเลแล้วทีไปไม่พ้นตะวันวังคนตั้งใจจะไปอา้ามันก็มีอุปสรรคต่างๆ่าเพราะนั้นอุปสรรคของแต่ละคน <c oughs> ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่สิ่งที่จะทาให้เราท้อใจไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราหมดจัดทตาที่จะพัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนาเราต้องพัฒนาตัวเองไปถึงฝั่งโน้นได้ไปถึงฝั่งโ น, น้ น, นเนี่ยเขาเรียกบารามีปัจจาปาลมิตาบาลมิตาก็คือบารมีบาลมีคือฝั่งโ น, น้น ทานศีลภาวนาอะไรต่างๆนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของกอธิบายแต่ตัวจริงๆแล้วนี่แหละใจของเรานี่แหละสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ต้องปูมันเน้นใจของเราเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดมีมีเยอะแยะในพระใจปิดกนางปตาจลานี่ทุกพ่อกระตายแม่กระตายลูกกระตายผัวกระตายบ้าเลย กระเซิงกระเซิงเข้ามาในเพระเชตวันวัดเมื่อนวลดีผู้เจ้าท่านเข้ามาบว่อก็ได้เป็นพระอ า, าลัยรุ่มหนึ่งนางบุญวันนานางอะไรอะไรเยอะแยะบอกทุกคนเนี่ยเข้าถึงความสิ้นทุกขหรือเป็นพระอาหัยได้ทุกคนแต่สมัยผู้เจ้านาะท่านรู้จักเมื่อก็นั้นโยมนึกดูว่าแม้สมัยผู้เจ้าก็ไม่สามารถที่จะทําให้พระอนนท์บรรลุเป็นพระอาหัยได้เห็นไหม คนที่มีความรู้มากผู้เจ้าพระอานนท์เนี่ยจำได้หมดคำสอนผู้เจ้ามีเท่าไรจาได้หมดเลยความรู้เป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นคนที่เรียนมากบางทีละวางความรู้ไม่ได้ก็เข้าถึงสัจจญไม่ได้มันแต่ศรีสัจจาหลวงพ่อเทียนไม่รู้อะไรเลยหนังสืออ่านซื้อไม่ออกเข้าถึงสัจจญาได้เวลังไม่รู้อะไรเลยเข้าถึงสัจจญาได้ แสดงว่าสัจจะนี่มันมีอยู่แล้วท่านหุยข้อไปขอธรรมะจากท่านโพทีธรรมทักมะ อ, อาจารย์ทำยังไงใจผมจะสงบเนี่ยมีแต่ความคิดวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยทำยังไงใจจะสงบผมทำมาแล้วหลายวิธีเลยไม่เห็นสงบท่านตักษมะก็บอกแนอาใจที่ไม่สงบมาดูสิว่านเป็นไงเด็กหนุ่มก็เหลียวเข้ามาดูใจตัวเองเอ้า ไม่มีแล้วนี่ความคิดสงบแล้วอาจารย์อืมอาจารย์บอกเออนั่นแหละฉันทําใจนี้เธอสงบแล้วเห็นไหมเพียงเหลียวเข้ามาดูแค่นี้นี่นี่ของมหายาณแต่ของเถรวาดเราครูแม่ลูกอ่อนเลยมย่าชำเลืองรูรุกน้อยเดี๋ยวจะหาขลงพ่อเป็นพระมหายานเอาของมหายานมาสอนแต่หลวงพ่อก็ต้องหาพระไตรปิฎกของเถรวาดมาอธิบายควบคูขึ้นไป มีอยู่ในเทราวาตเยอะแยะแต่เราไม่เข้าใจเองเราเลยไปเอาความคิดเราหาวิธีที่จะไปพ้นความคิดนี่่ป็ของง่ายๆเลยนะโยมพ่อแสวงหาจากอาจารย์มาสิบห้าปีเนี่ยหานะ่นจ่ายยิ่งอาก็ยิ่งมีความรู้แต่ความรู้ไม่สามารถจะทำให้เราเข้าถึงความจริงได้ ใครยังไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติรู้ไหมโยงใครที่มาใหม่วันนี้เดี๋ยวหลวงจะให้แผ่นซีดีหลวงพแจ ก, กไปสามรุ่นแล้วแผ่นซีดีมีสามใครที่ยังไม่ได้แผ่นซีดีหนังสือหมดเวลาแล้วย หลวงพ่อพูดเพลินหลวงพ่อพูดเพลินเนี่ยคือมันมีความสุขตรงที่หลวงพ่อเห็นสัจจะเว็ฐานมีความสุขคุณมีความสุขที่ได้พูดหลวงพ่ออยู่ในสวนพูดให้นกให้หนูฟังมันฟังไม่รู้เรื่องก็ดีใจด้วยนะโยมนะยังไม่หมดศรัทธานใน คำสอนของพุทธองค์นี่ต่อไปก็เดินยืนนั่งนอนนึกขึ้นได้จำเรื่องดูจิตใจเห็นมันว่างแค่นั้นทำแค่นี้ก่อนมันเบื่อจำ เ, เรืองบ่อยๆแล้วมันว่างมันเบื่อก็ทำงานทำการอยู่ดูใจไปด้วยเอามาัเมืองคแปดมาทำธรรมาวาจาสมากกรรมตะสมาอาชีวะประกอบอาชีพทำการงานอยู่เห็นใจที่มันว่างไปด้วยมันจะได้ไม่เบื่อ แต่ประเด็นสำคัญคือต้องเห็นใจที่มันว่างและไอตัวรู้เนี่ยมันจะยั่งลงสู่ก้นบึ้งใจแล้วเป็นฐานใครมีคำถามอะไรไหมหมดเวลาเก้าโมงเดี๋ยวไฟมันจะดับเอ่อดับดอั น, น, นะนจะมาอีกวันไหนคะนนวันที่ดูเหมือนอีวันที่สิบสามเดือนหน้านะ่ะสิบสามเดือนหน้า หลวงพ่อเว้นไปสองอาทิตย์เนี่ยเบสามเดือนนะแต่ใครที่มาฟังต่อๆไปเนี่ยโยมต้องมีประสบการณ์บ้างนะหลวงพ่อพูดไปเนี่ยไม่ใช่เอาไปจำแล้วไปอา้าวอีกเดือนหนึ่งมาหลวงพ่อฟังใหม่เนี่ยโยมต้องไปทาดูปฏิบัติ ด, ดูมีประสบการณ์ก็เอามาถามมาอะไรต่ออะไรนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อกล้าพูดเนี่ยเพราะหลวงพ่อมีประสบการณ์ หลวงพ่อกลัวบาปนะพระหลวงพ่อไม่รู้จริงหลวงพ่อสอนเหมือนในพระไตรปิฎกโคหัวหน้าโคมันมือจับที่น้ำเชี่ยวพาลูกน้องตายหมดญาติโยมตายหมดไอ้ตัวหัวหน้าก็ตายด้วยหล mm hmm. วงพ่อพิสูจน์แล้วหลวงพ่อถึงสอนแม้จะไม่สมบูรณ์ก็เออไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกัน